สัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงอริยสาวกผู้ได้เรียนรู้เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมนิพพิทาคือหายติดแม้ในรูปแม้ในเวทนาแม้ในสัญญาแม้ในสังขารทั้งหลายแม้ในวิญญาณเมื่อนิพพิทาคือหายติดย่อมมิราคะคือคลายออกเพราะคลายออกย่อมหลุดพ้น เมื่อหลุดพ้นย่อมมีาญาณว่าหลุดพ้นแล้วย่อมรู้ชัดว่าสิ้นเกิดจบมรรคาชีวิตประเสริฐคือจบพรหมจรรย์เสร็จกรณีไม่มีกิจอื่นอีกเพื่อภาวะเช่นนี้ภิกษุทั้งหลายรูปเป็นทุกข์คือปัจจัยบีบคั้นได้เวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณเป็นทุกข์คือปัจจัยบีบคั้นได้เมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมหายติดแม้ในรูป